ที่สาอนาปานสติกถาวาด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าออกลำดับ1คณะนวาระวาระวาด้วยการนับข้อที่362หน้า227เมื่อพระโยควจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุต์ด้วยอนาปานสติมีวัตถุ16 ญาณ200พร้อมทั้งญาณส่วนที่เกินย่อมเกิดขึ้นคือญาณในธรรมอันเป็นอันตราย8ยญาณในธรรมอันเป็นอุปการะ8ยาญาณในอุปกิเลส18ญาณในโวทาน13ยาญาณในความเป็นผู้ธรรมสติ32ยญาณด้วยสามารถสมาธิ24 ญาณด้วยสามารถวิปัสนา72นิพิธายาน8นิพิธานุโลมญาณ8นิพิธาปฏิปัสสธิญาณ8ญาณในวิมุติสุข21ข้อ363หน้า227ญาณในธรรมอันเป็นอันตราย8และญาณในธรรมอันเป็นอุปการล8 คืออะไรบ้างคือการประชันทะเป็นอันตรายแก่สมาธิเนคขมมะเป็นอุปการะแก่สมาธิยาาายาธายพยาบาทเป็นอันตรายแก่สมาธิความไม่พยาบาทเป็นอุปการะแก่สมาธิถีนมิทะเป็นอันตรายแก่สมาธิโอโลกะสัญญาเป็นอุปการะแก่สมาธิอุทัจจะ เป็นอันตรายแก่สมาธิความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอุปการะแก่สมาธิวิจิกิจฉาเป็นอันตรายแก่สมาธิความกำหนดธรรมเป็นอุปการะแก่สมาธิอวิชชาเป็นอันตรายแก่สมาธิญาณเป็นอุปการะแก่สมาธิอรติเป็นอันตรายแก่สมาธิความปราโม เป็นอุปการะแก่สมาธิอากุศสลธรรมแม้ทั้งปวงเป็นอันตรายแก่สมาธิกุศสลธรรมทั้งปวงเป็นอุปการะแก่สมาธิยานในธรรมเป็นอันตรายแและยานในธรรมเป็นอุปการะแเหล่านี้จบคณะนวาระที่หนึ่ง